เพราะว่าเสียงนองศึกษาคุยกันนี่น่าฟัง <c oughs> ทำไมนักศึกษาคุยกันถึงน่าฟังเพราะว่าได้ <c oughs> ทำไมเึงเมีเสียงออกมาได้เพราะว่าความสั่งของใจอะใจสั่งออกมาไม่รู้สั่งอะไรกันเยอะจังแต่ว่าการที่ เราปล่อยให้นึกหรือปล่อยให้พูดให้เยอะๆอย่างนี้ก่อนนั่งสมาธิหลวงพ่อถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นรุ่นอินซียังเสียงค่อยออรุ่นพยักนี่อย่าบอกใครแล้วทำไมหลวงพ่อจึงไม่ห้ามไม่ห้ามและยังแถมสนับสนุนด้วย เพราะว่าหลวงพ่อไม่ต้องการให้ใจของเรานี่เก็บกดเอาไว้คนที่เก็บกดสิ่งต่างๆไว้ในใจเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีบางคนอย่างงี้โกรธก็เก็บเอาไว้อาการต่างๆก็เก็บเอาไว้แล้วทีนี้เมื่อเก็บไว้มากๆเนี่ยมันทำให้เกิดมนพิษแล้วก็เหมือนกับไอ อาหารลำไส้เราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้จักไทยออกคือหมักหมมมรไว้อะดีไม่ดีเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเกิดเป็นมะเร็งเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยล่ะเพราะว่าไปหมกเพราะฉะนั้นเวลาที่ทานอาหารเนี่ยแ้จิงต้องการให้มีเทศบาล เทศบาลหมายถึงพูดทําความสะอาดลําไส้เอติถ์ทางความสะอาดลําไ ส, ส้เนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างเขาเรียกว่วใหญ่ใหญ่เนี่ยมันจะเข้าไปเคลียลําไส้ทาให้เไม่หมักหมมสําหรับหลวงพ่อนั่นเอาอะไรเคลียลําไส้ผักบุ้งผ <c oughs> ักบุ้งนี่ว่ากันเป็นเลยร่องๆเลยสมัย อยู่จังหวัดจันทบุรียอมก็ไม่เอาผระบุ่งมาทําบุญไม่เอาทำไมถึงไม่เอาเดี่ยเกิดไปชาติหน้าด้กินผักบุ่งรเมื่อเกิดชาติหน้าจะกินผับุ่งอะไรเราทำอะไรให้ถูกสงความประสงค์เกิดชาติหน้าเราก็ได้ของสงความประสงค์อ้างเหตุผลอะไรก็ไม่เชื่อจบลงกรโอดผักบุ่งรองพ่อเลยสั่งเน้นปลูก <c oughs> ปก็ฉันกันเป็นร่องๆเลยทีนี้ก็ติดนิสัยมาจนถึงมาถึงเวลาเนี่ยโอ้ยฉันพอกพุ่งจิ่มน้ำพริกปลาเออเข้าขันสำหรับพระเนี่ยตอนเย็นๆอย่างนี้สำหรับพระเนี่ยคุยเรื่องอาหารน้ำมันอร่อยน่าดูเ <c oughs> <c oughs> พราะมันฉันไม่ได้ <c oughs> พราะฉะนั้นออย่างที่หักดองเนี่ยเช่นอย่างเอหอมดองหนึ่งเนี่ยเวลาหอมดองนี่มันก็จะมีต้นแล้วก็มีหัวไอ้ต้นมันที่ดองไปเนี่ยดีมากมากเวลาทานเข้าไปนี่จะไปเป็นเทศบาลคือไปกวาดลํลำไส้ของเราให้สะอาดเพราะอะไรเพราะมันย่อยไม่ออกมันเหนียว มันก็เลยเป็นเทศบาลให้จะเป็นผักดองอะไรก็ได้แต่ว่าผักดองนหอมเนี่เขาว่ามันดีที่สุดอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วนอกจากนั้นก็พวกที่เป็นเอยใหญ่ทั้งหลายมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าสำหรับเพียราใส <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ว่ากดแล้วสนับสนุนกินเผาบุ้งกันใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่ทำให้ไม่ให้อาหารมันหมักหมมอารมณ์ที่มันอยู่ในใจของคนเราเนี่ยมันหมักหมมลงมาเยอะอันนี้คงจะยิ่งกว่ายิ่งกว่าอาหารในลำไส้เพราะมันเยอะเวลาที่ อารมณ์มันหมักหมมข้ามานี่มันก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พอเก็บไว้ถ้าหากว่าควรเก็บกดก็ทําเป็นขรึนอย่างเงี้ยอันนั้นอาการไม่ดีหรอกถ้าเห็นคุยกันอย่างนี้เปวลามานั่งอย่างนี้คุยกันเสียงอย่างเงี้ยโอ้นี่เรียกว่าใช้ได้อเรียกว่าปล่อยออกเต็มที่พอเวลาไปนั่งสมาธิสบาย แต่อย่างคนที่แม่จะเดินก็จะอะไรก็แม่แกเก่งแล้วเก่งอีกอันนั้นมันเก็บกดนะกดเอาไว้อะกดเอาไว้ทีนี้เวลาไปนั่งสมาธิกว่าจะมันออกหมดก็พอดีเลิก <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นตน้นเพราะฉะนั้นในการดาเดนินการสอนสมาธิที่ผ่านมาหลวงพ่อจึง กล้าพูดแล้วก็กล้าอวดคนด้วยว่านักศึกษาของหลวงพ่อเนี่ยจิตรวมทุกคนเพราะอะไรเพราะว่ามันได้ปล่อยออกหมดแล้วทีนี้เวลามาทําขึ่งชั่วโมงเนี่ยเท่าก็คนอื่นทําตั้งห้าชั่วโมงก็ไม่เท่าแล้วทีนี้อยางไปทําที่บ้านานั่นอ่ะมันเราก็ไม่ได้ปล่อยอ่ะไม่มีอะไรปล่อยเพราะว่าไม่มีใครคุยด้วย แล้วก็จะไปคุยเคลีาายอะไรมันก็มันไม่เหมือนที่มาอย่างนี้มันเยอะๆแล้วคุยกันสนุกกันไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น<ม>เรื่องของสมาธิจริงเ็าเรีย ก, กว่า เ, เป็นเรื่องของคนอุบายอุบายของผู้ที่ะจะแนะนำหรืออุบายของผู้ที่จ ะ, ะดำเนินจิตเนี่ย <c oughs> โดยเหตุจย่างนี้เ่ยเป็นเรื่กงว่ า, าทำอะไรมันต้องมีครูเขาเรียกว่ายกครูทำอะไรต้องมีครูบาอาจารย์ทำอะไรต้องมีผู้นำสําหรับเราพูดในวันนี้เรื่องของประโยชน์ของฌานนี่มันเยอะมากแต่เยอะเนี่ยที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็เ พ, เพื่อที่จะให้เหตุผลให้เหตุผลว่าทําไมเราจรึงจะต้องทํำฌานขึ้นมาก็เนื่องจากว่า ญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอแล้วมันมีอยู่แล้วยาของคนเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะพัฒนาของที่มีอยู่เนี่ยให้มันเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งอย่างแต่ก่อนนอนเมื่อดึกน้ำบันคนไม่รู้จักใช้น้ำมันน้ำมันก็เอามา ถึงก็เอามาก อ, กองไว้แล้วก็จุดพอให้มันเป็นไฟสว่างได้นะ้ํามันมาก็ทําแค่นั้นน่ะแต่ทีนี้พอปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างประสิทธิภาพน้ํามันขึ้นจนกระทั่งน้ํามันนี่ไปใส่เรือบินน้ํามันไปใส่รถยนต์น้ํามันไปใส่เครื่องจับกลนต่างๆอแล้วน้ํามันก็ใช้กันทั่วไปอันนี้เพราะการสร้างประสิทธิภาพเดิมให้มี พลังงานยิ่งขึ้นเหมือน ก, นกันกับที่เราทำสมาธิเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือการพัฒนาคือการพัฒนาให้ญาณของเราเนี่ยแทนที่เราจะคิดแต่เฉพาะสั้นๆหรือจะพิคิดแต่เฉพาะไม่ไม่ก้าวไกลแต่พอเวลาที่เราทำญาณสร้างขึ้นมาเนี่ย มันเกิดการก้าว ไ, ไกลขึ้นก้าวไกลขึ้นก็ยานนี้มันก้าวไกลยิ่งกว่าอะไรอะไรทั้งหมดเนี่เรียกว่าทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินแล้วก็ทั่วจั ก, กรวาลก็คือยานอันนี้เองแม้กระทั่งว่าเราจะทําหมดชีวิตของเราเนี่มันก็ยังยังไม่หมดไอการพัฒนาของยานเนี่ยเพราะฉะนั้น ประโยชน์ของยานจึงมีอยู่มากมายที่เขียนไว้ในที่นี้ก็เราก็รับมาถึงายานที่จะทำให้สำเร็จนี่มันมีอยู่เก้าข้อด้วยกันเก้าข้อนี้ก็อยู่ที่หน้าหนึ่งหนึ่งสองยอหน้าที่หนึ่งยานหมายถึงความรู้สู่ความสำเร็จ คือความมีประโยชน์ทำให้บังเกิดความรู้ความสามารถที่มีประสิทธิภาพพระยานนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นยานที่ได้รับการกันกรองจากสมาธิที่เราเริ่มพูดเนี่ยคือเริ่มพูดถึงยานที่สร้างขึ้นเราก็รู้แล้วว่ายานที่เกิดธรรมชาติเป็นยังไงเพราะได้อธิบายมาแล้ว ปัญญา land, ian, ที่ได้รับการกันกรองจากสมาธิจึงมีความเฉียบคมเป็นพิเศษทําให้มีความรับผิดชอบสูงพร้อมกับมีความรอบครอบป้องกันความผิดพลาดเราเราจะพากันคิดดูว่าความเฉียบคมนี้ก็เป็นข้อหนึ่งความรับผิดชอบนี้ก็เป็นข้อหนึ่งความรอบครอบนี้ก็เป็นข้อหนึ่งความป้องกันความผิดพลาดนี้ก็เป็นข้อหนึ่ง คุณสมบัติทั้งสี่ข้ออันนี้เนี่ยถ้าเราเทำให้ได้กันกรองมาจากสมาธินี่การงานที่เราทำประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นอีกออหลายเท่าตัวเราจะบริหารเราจะคิดการทำการค้าเราจะหาวิธีการที่จะสร้างฐานะหรือจะหาวิธีการที่จะ พัฒนาอะไรหลายอย่างอย่างเนี้มันก็เกิดขึ้นจากความเฉียบคมเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบสูงเกิดขึ้นจากความรอบคอบและป้องกันความผิดพลาดสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มประสิทธิภาพมากมายแก่บุคคลผู้ได้รับยานได้รับยานที่สร้างขึ้นการที่จะส่งเสริมให้บุคคลหนึ่งประสบผลแห่งคุณภาพได้นั้น ยานก็มีส่วนทาได้แม้ว่าจะไม่เช่นนี้ทุกคนไปคือหมายความว่าเมื่อเราแนะนำบุคคลให้ปฏิบัติสมาธิเพราะเกิดสมาธิมันก็เกิดฌานเกิดฌานก็เกิดยานอย่างนี้มันจะเดินทางมาพร้อมกันพอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยบุคคลที่ได้รับการฝึกฝน แม้จะหนึ่งคนที่ได้รับการโดดเด่นหรือมีประสิทธิภาพในยานขึ้นนี่มันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนั่นจะมีความโดดเด่นอยู่เฉพาะบางคนนั้นเป็นเพราะความกระตือรือร้นตลอดจนความเอาใจใส่ที่มีความเชื่อมัน่นมีความแข็งแกร่งในการดำเนินงานคือหมายความว่า บุคคลที่จะโดดเด่นมาซึ่งยานได้นั้นเขาต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิและในสมาธินั้นเออก็จะเกิดฌานเพรอเกิดฌานแล้วเกิดฌานมันก็จะเป็นอัตโนมัติกอโตโมัติของตัวบุคคลผู้นั้นโดยที่ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ต้องมาตั้งท่านั้นตั้งท่านี้ตั้งหน่วยนั้นออกยานนี้อย่างนี้ ถ้าไปตั้งค่าอย่างนั้นแล้วบางทีมันก็เอไม่ได้เรื่องแต่ทีนี้สําคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเวลาที่เราสร้างพลังจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มพลังจิตของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมติอโตโมติอโตโมตของมันอัตโมติ ก, ก็หมายความอย่างที่ว่าอคนที่เขา เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยในวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียนมานั้นมันจะมีอัตโตมติกที่ให้เขามีความคิดได้ว่ า, เ, าเวลานี้เป็นอย่างนี้จะต้องดำเนินการอย่างนั้นที่การที่จะเป็นอตตัตโมติขึ้นมาได้เพราะเขาได้พร้อมแล้วพร้อมแล้วด้วยวิชาการเพราะเขาผ่านการเรียนการอะไรมามากแล้ว มันก็ไปบรรจุไว้ที่ใจใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อไปบรรจุไว้ที่ใจของบุคคลผู้นั้นแล้วในในใจนั้นมันจะมีกลไกแล้วก็มันจะดำเนินการเคลื่อนไหวตลอดจนกระทั่งความเทียบพรมต่างๆนี่นกลไกต่างๆมันจะดำเนินการเป็นอัตโนมติออกไปสู่สมองแล้วเขาก็จะคิดงานอ น, นั้นออกไปได้ อันนี้อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือน ก, นกันกับที่ว่าเรามีรังจิตมีฌานมียานอย่างเนี้ย <c oughs> ทีนี้ข้อที่หนึ่งรู้จักความคิดของผู้อื่นในเรื่องนี้คนที่รู้จักความคิดของผู้อื่นเนี่ยมันก็เราก็รู้จักได้อย่างคนนี้มันจะคิดไรคนนี้จะคิดดี หรือว่าคนนั้นจะคิดยังไงเนี่ยความจริงเนี่ยอคนที่มีเฉาสักนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะทายใจคนนั้นได้อาจจะมองไปว่าไอคนนี้มันจะต้องมีความคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้คือธรรมชาติอธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาธรรมชาติสร้างขึ้นมานี่มันก็ไม่ยากนักที่จะดูว่า คนอื่นเขาคิดว่ายังไงอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่ อ, อธรรมชาติสร้างขึ้นมานี่มันเป็นยานอันหนึ่งที่เรียกว่ารู้อนาคตอย่างเนี้ทีนี้ยานอันนี้เราได้ถูกฝุกฝนขึ้นมาจากสมาธิทีนี้มันจะไม่เหมือนกันกันกบที่เราไปรู้จักว่าจิตใจคนอื่นเป็นยังไงมันจะมีความ คมมีความละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นอันนั้นชื่อว่ายานมีมาในอนาคตอันนี้ก็อธิบายให้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมาอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจได้สำหรับารยานในข้อนี้ทีนี้ข้อที่สองรู้จักรนาคของตอนและบุคคลผู้อื่น ตามธรรมชาติเราก็วาดอนาคตของเราว่าเราจะเดินทางใดถูกบ้างผิดบ้างถ้าถูกก็สบายไปตลอดชาติส่วนของผู้อื่นอาจจะอันนี้ว่าถึงของตนส่วนของผู้อื่นนันอาจจะเป็นคนรักของเราเช่นลูกญาติเพื่อนถ้าเราวางแผนผิดก็จะอนาคตเสียไปเลยแต่ถ้าวางแผนถูกก็ก็สบายไปตลอดชาติ เมื่อเขาสบายเขาก็คิดถึงเราเราก็สบายไปด้วยแต่ถ้าสำเร็จญาณจะทําความสามารถรู้ท่องความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อไม่ดีก็บอกเมื่อดีก็บอกแนะนำด้วยญาณก็หมดปัญหาคือญาณ น, นั้นจะมีสิ่งที่รู้จากอนาคตแต่เราสังเกตว่าเรามีญาณอยู่อย่างว่าลูกเราควรจะไปอย่างไร บุคคลผู้ใดควรจะไปอย่างไรเนี่ยอันนี้มันเป็นญาณแต่เมื่อเราทำสมาธินี่มันจะบ่งบอกให้ชัดเจนกว่านั้นอันนี้เรียกว่าญาณตื้นๆ ต, ต, ต่ำๆแต่ถ้าลึกซึ้งลงไปก็ยิ่งเข้าใจในเหตุผลเหล่านี้มากขึ้นข้อที่สามส่งเสริมการศึกษาทุกๆด้านเ อ, อ่อคือในปัจจุบัน การศึกษาที่ว่ามีความสำคัญมากประเทศชาติศาสนาจะเจริญพัฒนาก็อาศัยการศึกษาจึงจะเจริญรุ่หน้ามีลูกหลานคนที่เรารักก็ต้องการส่งเสริมให้เขาได้การศึกษาสูงแม้จะต้องเสียงเงินทองมากเท่าไรก็ต้องยอมทั้งนี้เพื่อให้คนรักของเราได้รับการศึกษาสูงยานถ้าหากทาให้เกิดขึ้น จะช่วยในด้านนี้อย่างมากมาทีเดียวพระยานนี้ถูกสมาธิอบรมความเฉียบคมจะเกิดขึ้นแต่การเกิดยานนั้นก็ง่ายมากอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำหรือไม่เท่านั้นถ้าทำสมาธิขึ้นยานก็ตามมาเท่าที่บุคคลจะใช้ความพยายามแค่ไหนพระยานนี้จะมากน้อยเป็นการรับให้เฉียบคม นั้นเรามีคนที่เรารักเราก็ต้องแนะนําให้ทําสมาธิเพื่อที่จะให้ยานเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีความฉลาดเกิดขึ้นแก่เขาอย่างน่าอัศจรรย์เนื่องจากสมาธินี้จะเข้าไปอบรมยานยานจะถูกสักรอกจนกลายเป็นความฉลาดปราดเปรืองเพราะว่าการเรียนต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยความขมัดขเม่นต้องอาศัยความรอบรู้ ต้องอาศัยการต่อสู้ว่าใครคนไหนจะมีความฉลาดมากน้อยกว่ากันสมาธิเนี่ยทำให้เกิดยานเนี่ยมันจะทำให้ความฉลาดอันนี้มากขึ้นเพิ่มขึ้นเวลานั้นเราก็ทำยุววสาสมาธิเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถมีความฉลาดอันนี้จะเป็นระบบงานขึ้นมาด้วย ขทิสตสี่สามารถใช้สมองสติปัญญาเพิ่มกว่าปกติหลายเท่าอในทุกวันนี้ถ้าจะพูดถึงการใช้สมองต่อกิจการงานต่างๆแล้วสมองของเราแทบไม่พอใช้บางคนใช้จนสมองแตกเลือดในเซในสมองแตกก็เบลอรหรือขาดตอนเป็นช่วงช่วงหรือเกิดความวิตกปริษนี่คือความไม่พอใช้ของสมองมนุษย์ แต่บางคนก็ใช้ได้ตลอดตอดฝังเฉพาะบางคนเท่านั้นรวมความแล้วว่าสมองที่มนุษย์ได้มานี้ไม่พอใช้ดังนั้นจึงต้องมียานที่ทําให้เกิดขึ้นจากสมาธิเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานเพราะว่าถ้าได้ยานแล้วแทนที่จะได้ทําได้สักยี่สิบมันก็ทําได้สองร้อยยังไม่เหนื่อย แต่ถ้าทำยี่สิบนี่เหนื่อยแล้วอย่างนี้อันนี้คือยาได้เข้าไปช่วยเพราะยานเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ใจแล้วใจจะสั่งไปที่สมองอการสั่งการสั่งงานนี่มันก็ไม่ได้สั่งอสเป ส, สปะถ้าหาวกว่ามันไม่มียานเนี่ยจะสั่งสเป ส, สปะสมองฝึอทํางานไปไม่รู้หยุดอย่างนี้เป็นต้น ข้อที่ห้านั้นละลึกชาติได้ละลึกชาติได้อ น, นี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งธรรมดาชนิดหนึ่งเพราะว่าคนเราที่เกิดมานี่หลายภพหลายชาติชาติก่อนไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นร <c oughs> ละลึกชาติได้เหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะละลึกชาติได้อหรือว่าอย่างนักศึกษากระหลวงพ่ออย่างเนี้ย เคยไปเกิดที่ไหนมั่งสมมุติเอาว่าเราไปปเกิดจืดไปเกิดจืดที่ประเทศบางคล า, าเทศอ <c oughs> ราเกิดอจื่บางคล า, าเทศแล้วเราก็เลยไปทํามาหาเอาเรียนชีพยอยู่ตรงเอ่ชายทะเล เ, เ, เพราะว่าชายทะเลเนี่ยอากาศมันดีเราก็เลยไปเกิดจืดที่ตรงนั้นอพอไปรวมเกิดจืดตรงนั้นแล้ววันดีคืนดีเอ่ ไซโคลนมันก็มาเนี่ยพอไซโคลนมามันก็โน่นเหมือนกับไ อ, อเขาบอกว่าเวลามันมาเนี่ยเป็นคลื่นเนี่ยสูงเท่ากับตึกสิบชั้นอย่างเงี้ย <c oughs> พอมันกวาดมาเสร็จแล้วไปสัต์สิบกิโลและวมัน ก, กวาดกลับก็พอดีเรียบร้อยตายพร้อมกัน <c oughs> อันนี้ก็พูดไปอย่างนั้นนะเพราะว่ายังไงเสียก็แก่ง่วงนิดหน่อย อ, อ, อันที่ว่ายานที่ระลึกชาติผลหลังได้เนี่เราก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วก็คงจะพอเข้าใจว่าุทเพจนิวาสานุสติยานในข้อที่ห้าทีนี้มาถึงข้อที่หกเปิดไปเปิดมาเลย หายไงเงี้ยบมาถึงข้อที่หแก้ไขความมัวเมาในอบายมุก ค, คือว่าเราอาจจะเห็นคนที่เขาไปมัวเมาเนี่ยบางทีลูกเราก็ดื้อด้านอบอกว่าอย่าไปเล่นไปอะไรนะเพื่อนมันก็พาไปหรือไม่ใช่ลูกก็เป็นเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนก็เป็นครอบครัวอพวกก็ชอบเล่นไพ่บ้างหรือวบาพวกก็ชอบ ไปเที่ยวกินเหล้าเมายาบ้างอะไรเหล่านี้ไอ้สิ่งเหล่านี้นี่เขาเรียกว่าอบายามุกมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะทำหรอกแต่ว่าบางคนติดเหล้ารลำวก็แก้ไม่ได้บางคนติดไพ่ก็แก้ไม่ได้หรือบางคนไปติดอะไรในสิ่งที่เป็นอบายามุกแก้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามาทำสมาธิให้เกิดยานแล้ว แก้ได้เพราะอะไรถึงแก้ได้เมื่อยานมันเกิดขึ้นมาหมายความว่าเขาทำสมาธิแล้วก็เกิดฌานพอเกิดฌานแล้วก็เกิดยานยานนั่นก็คือการทำให้หูตาสว่างว่าไอเราที่เราเคยทำเนี่ยมันผิดะแล้วอันนี้ก็คือการแก้ได้แก้ได้เยอะหลวงพ่อเคยพายไปแก้คนเมาเหล้าได้เยอะเลยบอกว่า นี่มีภรรยาคนหนึ่งสามีกินเหล้ามากไปอมาถึงตตโโก็เอ็ตโลโปเกมาถึงก็บอกว่าหลวงพ่อช่วยสามีฉันได้ไหมบอกว่าได้แก่แกมาสิบอกให้มาหาหลวงพ่อบอกนั่เออบอกเขาก็ไม่มาบอกมันสิบอกว่าหลวงพ่อมีของดีงอกนั่นหลวงพ่อจะให้ของดีอ ไม่แก่อริยาเขาก็ไปบอกว่าหลวงพ่อมีของดีนะไปหาสิอะไรน่นก็มาก็ดีอยากได้ไหมหลวงพ่อมีพระเครื่องเอาอยัางไรก็ได้ว่าแม่เอาขนาดไหนได้อยากได้แม่บอกกูอยากได้อยากได้ว่าตามเลยเพรว่าข้าพเจ้าว่าแม่ข้าพเจ้าจะไม่กินเหล้าอ <c oughs> <c oughs> ทาไมเงี้ยอ้าพเจ้ายัดได้ของดีใช่ไหม ว่าตามซิเพราะงั้นว่าตามแล้วกินได้ไหมก็ลองดูว่าตามได้จะกินได้ไหมก็ลองดูพระเจ้าจ ะ, จะไม่กินเหล้าพระเจ้ า, จ ะ, า จ, ะจะไม่กินเหล้าถ้ากินเมื่อไรถ้ากินเมื่อไรฟาพาเจ๊หัวแตเกเจ็ดเสียง <c oughs> <c oughs> เอาเสียงเดียวไม่ได้เลยอ <c oughs> ไม่ได้หรอกสงห้าเจ็ดเสียง <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาเจ้ากินเมื่อไรกาแต่เจ็ดเตียงเลยมันเอาละเท่านี้พอมากลับไปฮะอ้าวไหนของดีอ่ะก็นี่ไงของดวีวันหลังมาเดี๋ยวจะให้ตั้งแต่วันนั้นไม่กินเลยกลัวฟ้าผ่ารอดตัวไปอย่างวุดวิต <c oughs> ทีนี้ข้อที่เจ็ดช่วยเหลือพลังให้ผู้อื่น ในการส่งเสริมพลังจิตนั้นตามธรรมดาแล้วมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งแม้ปกติธรรมดาจะเห็นได้จากเมื่อจะทำงานสิ่งใดมีผู้ให้กำลังใจก็จะมีความโ ม, ะมนะทาใม้เกิดผลถ้าไม่มีผู้ให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังอาจจะทำอะไรไม่สาเร็จแม้แต่ทาหารที่ป้องกันประเทศชาติก็ยังต้องปลุกพลังใจใหร้รกหาน เมื่อมีผู้ให้กำลังใจก็มีกำลังต่อสู้ค่าศึกจนได้รับใัชนะรักษาบ้านเมืองเป็นเอกราชอยู่ได้ดังนั้นแม้ในครอบครัวแต่รัครอบครัวก็ต้องมีทั้งบิยมานดาให้กำลังใจบุตรดาสามีภรรยาก็ให้กำลังใจแก่กันและกันแม้กระทั่งคนป่วยไขย้หมอก็ให้กำลังใจก็เป็นผลสำเร็จยานนี่ก็ ให้กำลังใจแก่ผู้อื่นได้เป็นพิเศษหมายถึงพลังจิตที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นมีพรานุภาพมากเพราะว่าสร้างพลังจิตจากความเป็นหนึ่งจนเกิดสมาธิฌานญา น, นั้นถือว่าได้สะสมกําลังจิตนี้มานานและกำลังจิตนี้จะเป็นพลังเฉียบคมก่อให้เกิดความย่อหมายถึงย่อใหญ่ให้เล็ตแต่มีพรานุภาพมาก จึงเป็นสิ่งที่จะประมาทไม่ได้สําหรับพลังจิตดังนั้นผู้สําเร็จญาณจึงสามารถให้พลังแก่คนผู้อื่นแก่ตนและผู้อื่นได้เนื่องจากพลังจิตนี้เป็นญาณเป็นญาณ น, นี้ได้ถูกสมาธิอบรมจนเกิดความโปร่งใสเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สามารถกระจายกําลังได้คือถ้าหากว่ามีกําลังมากมันกระจายกําลังได้ ทำไมมีกำลังไม่มากก็เฉพาะตัวก็ไม่ค่อยไหวแต่ว่ายังไงก็ตามพลังจิตนี่สามารถทำได้นี่อันนี้ก็ต้องศึกษาไว้ที่อธิบายมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอธิบายให้ฟังแล้วแล้วไปอธิบายให้ฟังแล้วจำเป็นที่จะต้องศึกษาว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นเพราะเหตุใดอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้มาถึงข้อที่แปดแก้โรคภัยให้แก่ตนและผู้อื่นได้ประสิทธิภาพของพลังจิตถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์ต้องทำใจให้สะอาดหมายความว่าอย่าทําความโลภมากให้เกิดขึ้นความโลภมากคืออะไรความโลภมากคือกระแสะหลอนได้แก่อยากได้มากเพียงแต่ใช้ความคิดจนเกินไปเช่นกาหนดทัพถึงภพอันนั้นมัน เป็นความคิดไม่ใช่กระแสอย่างนี้ก็จริงเรียกว่ากระแสหลอน อ, อ, นะอันนี้ก็อธิบายไว้เยอะแล้วแต่ก่อนๆมาอันนี้ก็อธิบายไวเ้เพียงเท่านี้สำหรับข้อที่เก้ายานรู้ซึ่งซึ่งถึงความสุขยานคือความรู้สู่ความสําเร็จนี่ก็ฌานคือความสุขอันความสุขทั้งหลายแหล่นั้นต้องใช้อารมณ์ ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีความสุขความสุขที่เกิดจากอารมณ์นั้นต้องมีญานความรู้สุขความสําเร็จในยานนี้หมายถึงยานธรรมชาติเมื่ออารมณ์รับรองความสําเร็จจะสําเร็จอะไรก็ได้นั่นจะมีความสุขนักหนานต้รงนิ่มเขียนผิดนา ค, คืออารมณ์รับรองความสําเร็จอารมณ์รองรับความสําเร็จนี่อารมณ์รับรองอเลย รองรับกับรับรองนี่มันเกือบจะไกลกันอ่ะคืออารมณ์รองรับความสาเร็จการสาเร็จอะไรก็ได้นั่นจะมีความสุขนั่นหนาที่ว่ามีความสุขทั่นหนาคือยานตงนี้เองที่ยอมรับและรอบรู้หมดว่าเราได้พบความสุขมาจากไหนในยกตัวอย่างเช่นเราได้เงินจากงานเต็มที่อาจจะเป็นขายโทรศัพท์ได้สักพั น, พ, นพันล้านอนะ่ะความสุขจีพบ มเงินมากมายจะมีความสุขกึกรึงกินเข้าไปในคุนบึงของหัวใจอันนี้อไพน์นออแต่ว่ามันก็คือยาธรรมชาติชนิดหนึ่งถ้าหาว่าไม่มียาเน่ะได้เงินมาร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่รู้อะไม่รู้คือไม่มียาถ้ามียามันต้องรู้ว่าเท่านั้นร้อยเท่านั้นพันอย่างเนี้ยแล้วความรู้นั้นเน่ะมันจะนํามาความสุขมาให้ ยานความรู้สุขความสำเร็จคือยานที่สร้างขึ้นด้วยสมาธิจะมีความสุขลึกซึ่งเกินกว่ายานธรรมชาติเนื่องจากว่าความสุขยานที่สร้างขึ้นนี้เป็นความสุขที่ไม่มีอารมณ์เนื่องจากอารมณ์ต่างๆนั้นถูกสมาธิขจัดไปหมดแล้วแม้แต่เพียงอารมณ์ลดลงตามลำดับแล้วก็ชื่อว่าความสุขลึกลงไปตามลาดับคือหมดอารมณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ความแตกต่างจึงเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีสมาธิสร้างขึ้นเพรอหมดอารมณ์ก็จะบไกลเป็นเรื่องเศรา้าแต่พอถึงขันญาณที่สร้างขึ้นเมื่อหมดอารมณ์พอขจัดด้วยสมาธิก็มีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้พูดให้ฟังว่าอย่างที่เราไปได้เงินมาเป็นใบล้านพันล้านเรารับรู้ความสุขกันนั้นด้วยอารมณ์ ยา น, นั้นเกิดขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ารับรู้ด้วยความสุขเกิดขึ้นจากอารมณ์แต่ทีนี้พอมาเป็นยานที่สร้างขึ้นเกิดจากสมาธินี่รับรู้เหมือนกันแต่รับรู้ด้วยไม่มีอารมณ์มันพลิกตรงกันข้ามอันนั้นอันนั้นพอหมดอารมณ์ก็เศร้าเพราะว่าเงินมันขาดทุนไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้สําหรับที่ละอารมณ์ได้เนี่ย มันจะไม่เป็นเช่นนั้นมันจะทำให้เกิดไอ้ความสุขเขาเรียกว่าความสุขที่ไม่มีอารมณ์แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็หมดเก้าข้อ <c oughs> วันนี้ละทำก็ไม่ดี <c oughs> น่ากลัวจะฟังเพลิน <c oughs> มาถึงเรื่องเล่เอาอประวัติหลวงพ่อไปอแทะแทะประวัติหลวงปู่ก็คือไปได้สมาธิกลับมาแล้วเมื่อได้สมาธิแล้วไปในคราวนั้นนะไอคนเราเนี่ยพอได้สมาธิแล้วใจมันพลิกพลิกพิลึ ก, ลกไปอยู่ที่นั่นน่ะอหลวงพ่อไปอยู่กับอพ่อแม่ ก็จําเป็นต้องทํางานทํางานอะไรอื่นก็ไม่ว่าแต่ว่าจําเป็นต้องไปจับปลาเช่นนั้นเขาเรียกว่าลำตักรองและหัดร่นแหหัดดับไส่หัดอตกเบ็ดสารพัดอ่ะพอเวลาเราได้ปลามาเ ย, ยะอะๆโหวันนี้บุญเยอะไม่ใ้บุญได้ไม่ ม, ไมีมีบุญนะได้ปลามาเยอะ พอเวลาที่หลวงพ่อมาได้สมาธิในวันนั้นนะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยมันทำไม่ได้มันเป็นอะไรเกิดขึ้นแลปลกระหลาดในตัวของเราเนี่ยมันทาไม่ได้เวลาที่จะไปตกเบ็ดพอเอาเบ็ดตรงไปถ้าไม่ไปยอมก็ว่าเอาพ่อเขาว่าเอาแม่ก็ว่าเอาก็ไปตก ออปลาอย่า ก, กินดิอจากกินนะปลานะ่านะวหลังนั่นอ่ะไปตกลงไปก็เรีบวักมึนขึ้นมันจะได้ปลามาทันกินนี่มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วทีนี้อย่างที่ว่าอไปปักเบ็ดอย่างงี้ยเบ็ดเราจะมีเป็นร้อยเป็นพันอย่างเนี้ยอ่าก่อนที่ไปปักเบ็ดนี่จะต้องไปเก็บเสดเดือนก่อนอ่ไปคว้าเสดเดือนอยู่ที่ใต้ดินเนี้ย เยอะแ ย, ะยะเอามาใส่กระป๋องใส่หยุบจับหยุบหยับเอามาถึงก็กาะจักแจแจม่สบายด้วยแต่วันนั้นไม่ได้ไปขุดใส่เดือนจะยอนทิ้งหมดไม่เอาแล้วเห็นนี้เพื่อนกันเา็าตัไปหลวงพ่อ็สือไปเบ็ดต็ไปเท่าเข่าร้อยร้อยอัน เ, อเขาก็ปักเบ็ดล้วก็ปักไม่มีเยอะเอเบ็ดไปปักนันะ ตาก็ไม่ได้สักตัวเอ่อแต่ก่อนน้องพ่อคนใจดีอ่ะพอเพื่อนไม่ได้เราก็ให้เขาคนสีตัวห้าตัวเอ่อทีนี้พอถึงเขาเราไม่ได้เพื่อนให้มั่งทีนี้เฮ้ย hey, แกต้องตาเป็นอย่าให้นะให้ตาตายเว้ยแบบนั้นอ้าวทาไมมันเป็นอย่างนี้ไปล่ะแบบนั้นเออถ้ามันตายแล้วมันไม่มันไม่บาดแต่แกตัวเป็นมาเดี๋ยวก็เราบาด้วย นี่เขาว่าวิริยานี่น่ากลัวมันบ้าแน่เจ้านี่พอเป็นอย่างนั้นกลับคืนมาก็ได้ปลาเนี่ยได้มา4ตัว5ตัวแต่ก่อนก็ได้มาเกือบร้อยนี่ได้มา10ตัว5ตัวยอมพ่อยอมแม่เขาบอกทำไมมันได้มาเท่านี้แม่ได้เท่านี้ก็ถือว่าบุญโขเพราะว่า ไอ้ตัวที่มันไม่ได้นะ่มันเราจะต้องไปทำบาปไอ้ตัวที่ได้มานี่มันตายทั้งนั้นเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนั้นพาเป็นอย่างนี้ขึ้นมานี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าหากว่ามีมหระศพที่ไหนเนี่ยหลวงพ่อจะไกลแค่ไหนก็ต้องไปทําไม่ให้ไปไม่ไม่ทำงาน่ะ บางทีเราเดินไปเนี่ยนะสีห้ากิโลเนี่ยเราไปดูยี่เกไปดูลำตัดดูยี่เกดูเสร็จแล้วก็กลับมาง่วงนอนห่วงอะไรแต่ว่าทำงานให้แต่ทำมาให้ไปดูเนี่ยไม่ทำงานเพราะฉะนั้นพ่อแม่แเอา้าไปดูก็ไปแต่แกอยังให้เสียงานนะไม่เสียอออพอเรามาสมาธิวันนั้นอนะ ไอ้เกมันเล่นอยู่ข้างบ้านยังไม่ไปดูเลยมันเป็นยังไงอะ่ะใจมันไม่อยากอะ่ะทีนี้เพื่อนก็มาลากไปอเ อ, เอ้มันขาดแกมันไม่สนุกเว้ยไม่ร ะ, ะมันาลากไปลากไปก็ไปนั่งดูก็มันพอนั่งดูได้ไม่ถึงหน่อยหนึ่งอะ่ะพอเห็นเขาหัวลอกกันเฮ้อเราก็มันเสือแล้วเนี่ยวิ่งหนีกลับบ้านเลย ทีนี้ต่อมาเขาบโอ้ยวิยญญาณเนี่ยมันบ้านเนี่ยนอนแล้วทีนี้อาตามธรรมดาเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวขึ้นตอนเช้าอย่างเงี้ยอล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็ต้องหวีผมแหมน้ำมันอยู่ที่ไหนน่อโอ้โหนี่น้ำอบใส่ปุบ๊บปุบปุบ๊ปบส่องกระจบดูสวยแหมหล่อเนี่ยหล่อ ออกแดนนะอ่าแต่พอนั่งสมาธิวันนั้นแล้วเนี่ยไม่คิดถึงน้าอบผมก็ไม่แตผมก็ไม่หวีเนี่ยทีนี้ยมพอ่อยมแม่เฮ้แกเนี่ยมันทําอะไรเนี่ยหัวยุ่งเป็นทะลุงทุงนั่งอมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตอนแล้วก็ว่าเฮ้แกเนี่ย <S 2> <S 2> <c oughs> มันจะบ้าหรือดีฮะเพราะว่าเพาะว่างนังน้นเองแอแปลกไอ้ใจเราก็ใส่ไม่ได้และในที่สุดทํำยังไง ก็เลยไปบอกคนตัดผมอ่ะแกตัดให้มันลายไปเลยนะหัวเนี่ย <c oughs> แกจะไปตัดให้มันสวยนะอา้าวแล้วตัดอย่งนั้นทำไมอ่ะตัดไปเลยเพราะว่าให้มันสั้นๆจะได้ไม่ต้องหวีอา่ามันก็ตัดไปเอาหัวลายออกมาเลยเอืไปดูอา้าวแกไปตัดผมที่ไหนมายมพ่อยมแม่เออที่นอตเนี่ยเขาตัดพ่อยมพ่อยมแม่ไปด่าสซนมีเดีย <c oughs> ด่าผมจัดผมไปด่าเขาทำไมผมให้เขาจัดอย่างงี้ที่แบบนี้ <c oughs> อเออเนี่ยเสร็จอย่างนั้นเสร็จแล้วเอเวลาที่เอหลวงพ่อไปทานธรรมดาต้องเอาเกวียนเนี่ยเอไปบรรทุกจตงโมบางทีก็ไปบรรทุกไม้มาเผาถ่านอายุสิบสี่สิบสามสิบสี่แบกไม้ เทานี่เท่านี้บาจะแตกหมดเพราะความขยันอ<ม>เวลาแบบไม้ขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ยแล้วต้องไปหาเถาวันมาขันไม่งั้นเวลาเปลี่ยนมันวิ่งมันก็จะไม้ก็จะตกหมดกว่าจะได้มาเล่นหนึ่งไ ม, ไม่ใช่ธรรมดาทีนี้เวลาที่วัวมันไม่เดินเนี้ยเราเอา ไหวขนาดนิ้วมือเนี่ยขนาดนิ้วมือนะยาวแค่เนี้ปั้นทักทักนี่โอ้โหไหวละเอียดมันวิ่งช่องช่องสนุกดีอย่างเงี้ยมันไม่วิ่งอย่างเงี้ยมันก็เมื่อไหรจะถึงกันสักทีอะแล้วก็ไม่หน้ำซ้ํามันไม่อยากวิ่งดีนักตีมันก็หนังมันด้านน่ากลัวก็เลยทำให้ตะตักแล้วก็เอาตะปูเนี่ยทำแหลมแหลมแทงมันอย่างเงี้ย โ อ, โอ้ยมันวิ่งไม่มีดียอ่าอืมพ อ, อเรามาสมาธินี่ทำไม่ได้ตีงวง ก, ก็ตีไม่ได้อ่ธรรมดาเราจะไปลากไม้มาได้วันละสองเที่ยวทีนี้ลากไปวันละเที่ยวแกจะเดินไปก่อนเดินไปเฮ้ออ่ามีอยู่วันนึ่งหลวงพอ่อก็ มันเดินเดินหนักเข้าเราก็เหนื่อยเหมือนกันมันไม่ค่อยเดินจะตีมันก็ไม่กล้าตีใจมันไม่ตีแล้วอก็เลยลงผลที่สุดหลวงพ่อเลยหลับอยู่บนเกวียนพอหลับเสร็จแล้วงัวมันไม่ไปมันออกนอกทางมันจะหากินหญ้าทั้งเกเวียนอย่างนั้นน่ะเราซะลืนตาขึ้นโอ้ยนี่บ่ายสามโมงแล้วกันเนี่ยไม่ได้ จับเปวียนขึ้นมากว่าจะไปเอาไม้พอดีกลับมาถึงเกือบสองทุ่มยอมพ่อโยอมแม่เขาก็เป็นห่วงเฮ้ยเป็นอะไรมันถึงมาถึงสองทุ่มบอกปวดนอนหลับไปอะ่ะคขึ้นเนเกวียนนี hey, ่แกมันไปใหญ่ซะแล้วล่ะแต่ก่อนพอเวลาที่เอเราอขึ้นเกวียนนี่นะมันจะมีไม่ใช่เล่นเดียว สองเล่มสามเล่มต่อไปด้วยกันไปบรรทุกของเนะ่ะเ่าไปบรรทุกของไปด้วยกันอย่างเงี้ยล้วจะร้องเพลงเขาร้องเพลงเราก็ร้องเพลงเพราะว่าหลวงพ่องคนเสียงเพราะนะเขาก็อายุให้ร้องเพลงตลอดเน่ยเพราะว่าหลวงพ่อเนจะเป็นนักดนตรีพวกศีซอเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นซอด้วง ซอดวงก็คือหัวหน้าทีมหวัวหน้าทีมจะไปช่วยงานที่ไหนก็เป็นหวัวหน้าทีมแล้วก็เป็นคนร้องส่งอ่าสัญลักษณความแบบเพลงจะเค่หางยาวเพลงอาตาแปะอะไรเงี้ยเพลงอหอมลงไอยาเร่อะไ ร, ะไ แ, ร, ะไรแต่ก่อนทำอ่าพอเวลาที่เออมาสมาธิแล้วทีนี้ไอเพลงพวกนี้ร้องก็งไม่ได้ไอสีซอที่เคยสีทุกเชา้าทุกเช้าเนี่ย ตื่นเช้ากมาต้องออมาสีรำกระเพลนเข้าพวังไปแล้วพอเวลาที่มาสมาธิแล้วอย่างเงี้ยเ อ, อ่ะซ้อไปแผ่นวัดบนเขากวางะแม่งมล่าเขาบิดทําลังไม่เคยได้จับมันมันก็แปลกนะจิตใจเนี่ยแปลกแล้วทีนี้พอเวลาเสร็จแล้วเ อ, อก็ไปที่วัดพอไปวัดแล้วก็ได้เพลงมาเหมือนกัน แต่กายเป็นเพลงลักนี่พวกก็ให้ร้องร้องก็ร้องวะดัะงนั้นเราก็ว่าโ oh oh oh, อ้โหอนิจจาสังขรารชาวเราเอยอยู่ได้ไม่นานเลยต้องขาดดินเส้นเวี <S <S <S <S เห็นกันอยู่ลัดลัดแล้วมาตัดช่องน้อยหนี ทั้งหลังนั่งโซกีมิใดมีวันกลับมาน้อยหรือมัจจุราชช่างขีวกาดไกลนาะอนมาเหตดปิดชัวให้ขาดว่าพรดับระดนร่วมไปกี่วันนี้โอซากีเน่าพองเหม็น เมื่ออุ่นกลับมาเย็นย่อมไม่เป็นเหมือนเช่นเคยเห็นกันอยู่ลัดลัดร <c oughs> ่ามาตัดช่องน้อยหนีทิ้งทั้งหลังนั่งโสกีมีได้มีวันกลับมาน้อยหรือมัจราช่างคีอปรลาดกะไรนะ อเมจิตจิตชิวาให้ทาตวานนักกระเด็นร่วมไปกี่วันมีอ พ, พ, นพอทราบผีเน่าฟองเหม็นเนื้ออุ่นกลับมาเย็นยอมไม่เป็นเหมือนเช่นเธอ เ, เลยว่าไม่ฟังแล้วไม่ฟังนะ ว, อ า, วอาอย่างนี้ไม่ไหวเว้ย <c oughs> นี่เพื่อนกันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเวลาที่จิตมันกลับแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้ไปมันก็เลยกลายมาเป็นอย่างที่หลวงพ่อยืนอยู่อย่างเนี้ก็คงจะว่าไปซะไร ไอคนตีละครก็ตีสะช้าเชียวันเนี้ยลำน้ำพลชัยศิษยโยธินบาปมรรการหลวงพ่อครับอ่เป็นอันนี้เป็นคาถานที่ที่บ้านฝากมาทานนะครับมานขอวงพ่อว่าเรื่องอ่าชั้นของสวรรค์ที่ได้ยิได้ฟังมาไม่ทราบมจริงหรือไม่รทั้งพบครูของ ลรกที่หลวงพ่อเคยเล่าอะอันนี้<อ>โดยสมมติว่าแล้วมีจริงหมครับาสวงก็ดีมรกก็ดี<อ>คำที่ว่ามีจริงหรือไม่เป็นคำถาม<อ>คำสาบก็คือมีจริงมีจริงทำไมไม่เห็นเขาจะอาจจะพคุดอย่างนั้น<อ>ให้สิ่งที่เราไม่เห็ น, นมันมียังอีกเยอะ แม้แต่ใจของเราเองที่เราเช่าพูดกันอยู่ทุวันนี้เราก็ยังมองไม่เห็นเนื้วใจของเราเป็นยังไงเห็นแต่ว่าใจมันเป็นตึกตักนี่นะเพราะฉะนั้นก็จึงบอกว่ามีจึงก็รู้ว่าถ้เราขอเชิญคุณทีระศรีมุตาลัยใมัชฌิตรท่านเจ้าคุณพระจารขอถามปัญหา ถึงว่าไปแล้วไปอยู่ที่คนแล้วแลวทีนี้สัมเรศีนั้นหมายถึงว่าอาทิสมันกายที่ยังไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้และอาชิสมันกายเค่พวกที่อยู่กับจิตตลอดเวลาหมายถึงว่า อันที่สมนัยนี่อย่างที่เรานอนหลับอย่างนี้ที่จริงว่านั่นเวลานอนหลับนั้นคือการเข่เราสัมผัสเวลาที่เราไม่ได้นอนคือเรายังมีร่างกายอยู่เนี่ยมันก็อยู่ที่นี่ละไม่ไปไหนแต่ว่าสัมผัสไม่ได้ทีนี้อันกาอันสมนายเนี่ยเมื่อเป็นสัมโพเวสีแล้ว ก็คือการควบคุมตนเองไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีกรรมชนิดหนึ่งกรรมชนิดนั้นอ่ะเป็นกรรมที่รุนแรงแล้วก็ควบคุมจิตใจผี้คนตัวนั้นเพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นสัมเพสีอาิีมันกายเนี่ยและชนิดีพ้พอเป็นอุ ป, ป, ปาติกะเนี่ยเป็นอุ ป, ปาติกะก็จะเกรดบาปก็เรียกว่าอุป ป, ปาติกะ เป็นสัตว์นรกก็ได้ปปฏิบติกะรสิ่งหล่านี้ก็อาธิสมักายจะเป็นผู้อยู่กับจิตแม้จะในนรกแแม้จะในสวรรค์หรือจดที่ไหนก็ตาม ที่นี่บงังบางทีเราก็มีเมื่อหรือว่าเหน็บชากินนี่นะฮะมันให้ต้องขยับขยื่นร่างกายนี่จะถึงจุดทางอำนาจช้ากว่าพวกที่นั่งนิ่งๆไม่ไม่ต้องขยื่นร่างกายมีรับปากครับอความขยับร่างกายนั้นคือ <Okay. S 2> เป็นลักษณะหนึ่งที่ก <Okay. S 2> ารต้านทานคือลักษณะของการต้านทานหมายถึงว่า ร่างกายของเราเนี่ยมันเจ็บปวดขึ้นมามันเกิดการต้านทาไม่ไหวก็เลยขยับราะฉะนั้นในขณะนั้นน่ะพลังจิตจะอ่อปตัวลงทันทีแต่พอเวลาที่ขยับแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่ก็แสดงว่าู้ธีขยับนั้นน่ะหมายความว่าถ้าจะงหงเท่ากันอย่างนี้พลังจิตก็คงได้น้อยกว่าประมาณ สามสบเอรอะไรอย่างเี้ยก็คิดว่าถึงช้ากว่าเขาหม่ยกราบขอบคุณครับอ่าเราขอเชิญคุณนลนพรไภทุนสกุลกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะเรียนถามว่ากรณีนั่งสมาธิโดยที่เราไม่มีพื้นฐานเราจะใช้เวลานานสกิดปีค่ะถึงจะสำเร็จนะคะอ่า คำว่าพื้นฐานเนี่ยมันจะหมายความว่าคนที่ทำมันมานานๆก็มีพื้นฐานคือพื้นฐานเนี่ยหมายถึงเนี่ยกําลังกําลังชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้ น, เ, นเมื่อเวลาที่เรานั่งสมาธิไปเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในตัวของมันเองที่อย่างมีตรง อันนี้คำว่าไม่มีพื้นฐานนั้นเรียกว่าไม่น่ามีคงจะมีพื้นฐานด้วยกับทุกคนแต่พื้นฐาน น, า น, านั้นจะแคบหรืพื้นฐานนั้นจะกว้างก็สดแล้วแต่บุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเ mm hmm. มื่อเวลาที่ทําจิตแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันจะไปเสมพลังพลังเนี่ยก็จะไปเป็นการสร้างพื้นฐานให้แน่นหนาขึ้นอย่างนี้ปตรง กราบขอบพระคุณค่ะเอ่อต่อไปขอเชิญคุณณนะลินทิตจารุกิจโสนากราบมนัสการท่าอาจารย์ค่ะเอ่ออยากจะให้หลวงพ่อช่วย อ, อธิบายคำว่าบารมีอุปบาบารมีและก็ปา ร, รมิทบารมีเอ่อบารมีนั่นคือการสะสมเหมือ น, นกันกับเราทำสมาธิเนี่ยเราสะสมพลังจิต บารมีก็แปลว่าความสะสมการให้ทานอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบารมีหนึ่งการรักษาศีลก็ถือเป็นบารมีหนึ่งการออกบวชก็ถือเป็นบารมีหนึ่งการตั้งสึกษาก็ถือเป็นบารมีหนึ่งการอธิษฐานก็ถือเป็นบารมีหนึ่งคามเมตตาก็ถือเป็นบารมีหนึ่งความอดทนก็ถือเป็นบารมีหนึ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าสะสมอย่างคนฤทธิ์บา ร, รมีขันติอย่างนี้ต้องอดจริงๆอ่ะใครด่าก็ไม่ว่าเราต้องเฉยๆถ้าหากว่าเขาด่าเราด่าตอบคือไม่ได้บา ร, รมีถ้าเขาด่าแล้วเราเฉยเราได้บา ร, รมีอันนี้เขาเรียกว่าขันติบา ร, รมีนะ mm. หรือว่าเราทําบุญอย่างนี้ อาจจะมีคนว่าอย่างนั้นอาจจะมีคนว่าอย่างนี้เราก็เลยถอยไปกว่าบารมีหายแต่ว่าเมื่อทําไปแล้วจะว่าไงก็ว่าเราก็ทําไปเรื่องกว่าร่วมทำบารมีถ้าหากว่าเอทําให้เป็นปารมัต์บารมีระะก็เกี่ยวกับสูงเช่นอย่างความอดทนอย่างเนี้ยเอถึงเขาจะมาเออ ทำลายจิตใจหลายหลายอย่างก็ยังอดทนได้แต่ถือเป็นปรมาร์น่ยกราบขอบพระคุณค่ะ